ก่อนอื่นก็ขอแนะนำอีกทีหนึ่งเนาะก่อนที่จะมาถึงนี่ก็ย้อนหลังไป16ปีนะรุ่นพี่ๆ20กว่าปีนะ30ปีก็มีแต่รุ่นอาตมาก็แล้วก็ผมก็1617ปนะีนะย้อนหลังไปแต่แลราอยู่กับหลวงพ่อประมาณ15ปี 15ปีก็ก็กรประวัติสักนิดหนึ่งนะก่อนที่จะจะได้เข้ามาในสายงานได้เข้ามาบวชแล้วก็ได้ติดตามหลวงพ่อมหาฤาษีรเรามาจนถึงที่นี่อ่าช่วงนั้นอาตอมาเองก็บวชโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจบวชก็คือบวชตามเพื่อน แต่ตัวยังทุกนะทุกมากทุกเป็นหาทางออกไม่ได้หาทางออกทุกอย่างทุกที่ที่เขาบอกว่าไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะออกจากทุกได้นะก็ไปนะเนื่องเบกโยมพ่อนี่นะโยมพ่อก็มีสวดผ่านยักษ์ ตวดพันยักษ์ได้ห้อยกันระนเงลงรันนางไปหมดเลยนะเขาเรียกเขาตวดพันยักษ์ถอดข้อต่อชะตานปเลปีนั้นคิดว่าเขาะตัวเองไม่ดีไปที่ไหนที่ไหนเขาก็บอกว่าเขาะไม่ดีชะตาขาดนะเราก็แล้วก็กลัวนะกลัวตายความกลัวมขึ้นเลยกลัวตายกลัวตายมันก็ทุกข์สิคนเนาะทําไงมันจะ จะไม่ตายอ่เพราะาเรายังไม่อยากตายทาไปทําหาก็ยมพ่อบอกยมพ่อพาไปนะที่หนองคอกก็ไปเข้าขเขานคนเต็มคนเยอะนะพระก็เยอะคนก็เยอะสวนะดกันสวนะดกันแล้วก็พอ <c oughs> พอได้ที่ถึงเวลาปุ๊บกด ได้อยู่หน้าใคกันต่างคนต่างดึงอ่าดึงดึงเอาไปก็ถือว่าได้ได้นั่นแหละได้ได้ที่เรานั่งก้มหน้าเรานะนะว่ามันเป็นของขังของที่ช่วยเราได้แล้วก็น้ํามนน้นํามนนี่ก็ต้องถวายเป็นปัจจัยนะขวดอร้อยน้ํามนนะอืมองค์ใหญ่ๆเลยนะองค์หลายองค์นะก็สวดกันนะ อาตมาก็เชื่อนะเชื่อก่อนเชื่อมากเลยเชื่อพวกของพวกนี้แหละเชื่อมากรอยสักเต็มตัวนี้เขาถือเต็มตัวเลยนะอาตมรมาสักคิดว่ามันหนังมันจะเหนียวอ่ะอืเขาบอกว่าหนังเหนียวฟันไม่เข้ายิงไม่ออกอาตมาก็ไปไปนอนบางทีไปนอนตากยุง เป็นครึ่งเดือนก็มีรอเข้าคิวสักกข็ขนาดนั้นน่าจะมาแล้วก็พระรุ่นไหนจะมามีหมดนะมีหมดทุกรุ่นนะพระบางทีนินนั่งอยู่บ้านนี่ทั้งรอยสักทั้งอะไรไ ม, ไม่ไม่ใส่เสื้อนะอวดโชว์นะคิดว่าตัวเองอไม่ต้องกลัวนะเรื่องปืนเรื่องมีดนี่ไม่ต้องกลัวนะแต่ก่อนมันเป็นแบบนั้น มีนิสัยที่ที่ชอบของขังนะแต่มันก็ทุกข์อ่ะทุกข์กลัวตายนั่นแหละขนาดของขังเต็มตัวก็ยังกลัวตายพอหมอมาทักหน่อยเดียวว่าตาขาดฉะนั้นก็ยังกลัวตายนะตอนนั้นพ่อโยงพ่อก็พาไปพอกลับมาได้ไม่เท่าไหรนะ่มันมีอันเป็นนะเป็นไปทุกอย่างอ้าวพอไปเริ่มงแรก เล่นปีใหม่อนะเล่นปีใหม่เล่นไปเล่นมามันยังไม่มันพอนะอืมตู้เครื่องเสียงมันเสียนมันค่อยไปหน่อยก็เลยบอกเพื่อนให้รอกัอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะไปเอาเครื่องเสียงให้ให้มันดังๆั ง, งมาเปิดให้มันรังฉ ล, ลองปีใหม่ปันปีใหม่ก็ไปรถรุ่นเก่าเนาะรถมันจะใสไซรุ่นเก่าฮอนด้ารุ่นเก่าเก่าไปแดงแดงขี่ไปมันก็มีดีกีไปด้วยเนาะไป มีดีกีก่อสีมเมาะนะไปก็ไปชนเลยตูมนะมรถอีกุ๋งเขาเลยจอดขวางทางอยู่เพราะว่าไปมองไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องรู้ราวฟื้นอีกทิน ท, ที่โรงพยาบาลถนาดไปสะดวกพ่อมาแล้วนะของขังเต็มตัวเลยพอมาดูตัวเองโอ้โหเย็บไม่มีที่เย็บเลยหัวก็เย็บเนี่ยใหัวที่ตรงนี้ เนื่ว่าข า, าตีอาตมานะอาตมารถนะไปชนกันนะแผลเต็มตัวจนไม่มีที่เย็บเลยของขังเนี่ยอืมก็เลยทำไงออไม่เป็นไรไปฟื้นที่โรงพยาบาลโอ้โหเขามาดูตัวเองเย็บหน้าแข้งโอ้โ ห, โหยาวเลยตั้งแต่หัวเขายันนี่เลยเพราะมันถูกกริกมันไปแตกกริกรถมอเตอร์ไซค์ใช้ไม่ได้เลยเครื่อง ใไม่ได้เลยนพอกลับมาจากโรงพยาบาลเย็บแผลเสร็จอะไรเสร็จกลับมาจากโรงพยาบาลแผลที่เขาเย็บเนี่ยมันไม่ติดมันออกมนเลยแหวกออกมาเล ย, ม, ออ ม, เลยมันเป็นหนองไ ม, ออไม่ติดเชือ้ออยู่ได้สามวันเหมารถเข้าไปจาตพี่น้องก็ไปส่งเหมารถดด้วยสารเข้าไปคนข้างบ้านผลปรากฏว่าไปได้ครึ่งทาง รถเข้าเติมน้ามันเข้าเติมน้ามันคนขับรถก็ยังไม่เก่งเพิ่งออกรถมาใหม่เติมน้ำมันเสร็จรปุ๊บโผลออกมาเลยชนกลางคันเลยกลางคันลงข้างสะดีไม่ตกสะรถหงายท้องชี้ฟ้าเลยอาตมาอาตมาไปเนี่ยจะไปเย็บแผลที่โรงพยาบาล <c oughs> จะไปเย็บแผลเพราะว่าแผลไม่ติดแผลเนี่ย แผลแผลที่เย็บไม่ติดเมารถเข้าไปจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งไปไล้ขครึ่งทางอะโนชนรถสับปตเอ ร, ร์รถหกล้อประหลดชิดูทุกหนอเต็มเลยไปสักแก้วอืมคราวนี้มันไม่ใช่แค่เราสิซวยอ่ะญาติพี่น้องที่ไปแขนหักมั่งขาหักมั่งหัวแตกมาลองมาแรงดินโชคดีไม่มีคนตายคราวนี้ขากันเข้าโรงพยาบาลทั้งหมดเลย ทำไปทำมาญาติพี่น้องก็หาว่าเราเป็นตัวสวยเราคนนี้นะตายแล้วโอ้ยเราก็คิดมากเลยคะเนี้ยพาญาติพี่น้องไปแขนหักขาหักหัวแตกเย็บกันรนงระนาวไปหมดเลยไปส่งเราอะ่ะเราก็มาคิดมากล้พอไปเสร็จกลับมาโยมพ่อก็มาเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่ที่บ้านโยมพ่อคอยปกค้องไปไหนทำไรมิจจะโยมพ่อเลย เคาช่วยเราก็คิดมากนี่ชีวิตเราเราทำกรรมทำอะไรมาไว้แต่คิดคิดแล้วนะตัวเองก็ทำกรรมม า, มาเยอะเคยตีเคยฆ่าเคยทุกอย่างสารพัดน ะ, นะทุกอย่างเป็นนักเลงต อ, ตอนนั้นเป็นนักเลงโดยไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าคบเพื่อนเป็นไปอยู่ที่ไหนได้เป็นหัวหน้าทั้งหมดก็ให้ ย, ยกให้เป็นหัวหน้าเลยไป อ, อยู่ที่ไหนก็ก็ให้ให้เป็นหัวหน้า ไปทำงานก่อสร้างเหมือนกันเขาให้เป็นหัวหน้าไปเป็นทาหารเป็นทหารเขาก็เป็นหัวหน้าพวกจ่าสวัสดีครับพี่พวกจ่าจาจ่ตีจ่าโทเรียกเราพี่นะไม่รู้เป็นไรดวงมันอะ่ะอืมพอสุดท้ายนะสุดท้ายเนะี่ยพอแผลหายแผลพอกาลังเริ่มจะหายนะก็ไปบ้านน้องพอขยิกขยิกไปได้เป็นไปบ้านน้อง ไปนั่งบ้านเ้าก็ทำํำพึ่งสร้างกาลังจะเสร็จนั่นแหละก็ไปนั่งอยู่หน้าบ้านเขาเด็กมันก็ดื้อนานๆมันก็ดื้อวิ่งเล่นวิ่อะไรกันไปนั่งเนี่ยไมหน้าสามอยู่ข้างบนเนี่ยลองคิดดูสิไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมาหล่นแล้วใส่หัวเราอีกแตกอีกไปเย็บอีกโอ้ตายเออชีวิตมันทําไมเป็นอย่างนี้ ปีนั้นทั้งปีเลยไปโรงพยาบาลจนหมอจําบอกมาอีกแล้วมาอีกแล้วหมอจําหน้าได้เลยว่าโอ๊ยชีวิตชีวิตของเรามันทําไมเป็นอย่างนี้นะยังไม่พออีกนะลกลับมาเย็บแผลเสร็จพอขยโยขยเก่อ ไ, ไปแล้วไปสมัครงานทํางานอ่างกับเขาอ่างเก็บน้ําเขาก็ให้เป็นหัวหน้าอีกเขเนี่ยเอให้สร้างแทงแทงน้ําเก็บน้ําอ่ะหาเป็นอ่างเก็บน้ําในหมู่บ้าน เห็นเราก็ขึ้นข้างบนเนาะเทปูนมาใส่บองเท้าบูทด้วยนะแสงเท้าบูทเพราะว่าใส่รองเท้าแผลเรายังไม่หายดีพอเทปูนมาปุ๊บโอนมันมันหนักไหมมันก็รูดลงปุ๊บประตูหน้าสาลมาเสียบทะลุหลังเท้าเลย <c oughs> โอ้ยตายไม่ไหวแน่แล้ ย, ลยมันก็เลยเชื่อเลยเชื่อเชื่อที่หมอเขาทักนะว่ายังไงมันต้องตายนี้แน่ทีเ่เรา ม, มันมีแต่เลือดกับเลือดมีแต่เจ็บกับเจ็บปีนั้นทั้งปีเลยนะแล้วก็คิดไปคิดมาวันนั้นเต็มที่แล้วก็ไปทำเขาจ้างไปทำห้องน้ำข้างวัดนั่นแหละทางวัดที่จะบวชนั่นแหละวันนั้นก็ไปเขาก็ใจดีนะเจ้าของบ้านพอทำห้องน้ำให้เขาเสร็จเอาเลยโอ้แกจะกินเท่าไหร่เดี๋ยวพ่อจะเลี้ยงนะแม่หวานตากเลยนันเ ก็มีจักรยานแันหนึง่งเขาก็ให้ปัจจัยก็ตือไปซื้อนั่นแหละของที่เราชอบนะของที่ชอบที่ชอบนะ่นะอืมกอบเหล้านะจินดู ด, ดลาไปตอนแรกขวดแรกกลับมาอีมมันทำไม ย, ยังใฉ้เฉยอยู่มึนๆนะขวดแรกพวกเออเอาอีกเอาอีกก็ไป พอดีเนะ่ะผ่านหน้าวัดเขาเปิดเพลงบวชพอดีเลยอ้๋อไขมาบวชนาะเราก็ผ่านไปผ่านมาไม่ได้สังเกตนะเพราะว่าใจมันไม่ไดอยู่ที่วัดใจมันอยู่ที่ร้านค้านะั่นแหละเอออะไรมาออพอไปรอบสองนี่ชักงอกแง ก, งอ ก, ง, อกงอกแงกกันนะอืมพอดีเจ้าน้อยเพื่อนกันนะ่ะเจ้น้อยเพื่อนกันที่เมาเหมือนกันน่ะอ่าเจ้าน้อยก็มอมกนนะ อ, อกอมา เขาเห็นหน้าไอ้ราจีเฮ้ยโงวงวมานี่มานี่มานี้ทำไมอ่ะเฮ้ยมาบวชด้วยกันไหมอ้าวอะไรวะอยู่ดีๆมาชนกันบวชเออมันถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ได้ซี้กเดียวเพราะว่ามันเสียดายเงินกินเหล้ามันมันมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งก็เพื่อนกันนั่นแหละมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งคนนี้ไปที่หนองคออเงินร้อยหนึ่งพอดีเขามาขายลอตเตอรี่พอดี แต่ก่านมันหกล้านเนาะหกล้านมันก็เสียดายเงินมันจะซื้อหมดคู่หนึ่งอ่ะมันก็อีกครึ่งอีกห้าสิบตอนนั้นมาสี่สิบบาทเสี่ยวนั้นสี่สิบาทเออสี่สิสี่สิบบาทแต่ก่อนว่าสี่สิบาทนะมันมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งอีกยี่สิบาทมันก็คิดแล้วว่าเอาเติมน้ํามันรถเครื่องอีกสี่สิบาทได้เล่าอีกขวดหนึ่งอ่ามันก็เอาไว้ซื้อเล่าเหมือนกันเอ่เหลือนั้นมันก็ เอาแท็กซี่เดียวพอดีเพื่อนเดินมาอีกคนหนึ่งเหมือนกันเด็กบอเฮ้ยมาหนี่มาหนี้มานี่เอ้มึงเอาไหมเนี่ยไอ้ น, นานก็มองซ้ายมองขวาก็าจะว่าจะไม่เอาเลยเสียดายเงินซื้อเหล้าเหมือนกันแ่ะอะพอดีและคนละครึ่งเข้ามาอืมพอไปมันก็ไม่ได้สนใจเรกาก็จะถูกรางวัลที่หนึ่งนานไปนานมาพอรางวัลออกโอ้โ ห, โ ห, โหเงินสามล้านเป็นเสียเลยเลยต้องมาบวชแก้บุญ แล้วเราก็พอยแก้บนไปกับเขาเพราะว่าไปกินของเขานี่ใช่ไหมเขาเลี้ยงอ่ะวันี้กลับไปแล้วเืาพ่อนก็บอกว่าเออเดี๋ยวพ่อเป็นเจ้าภาพให้ไม่ต้องกลัวเต็มที่เลยวันนี้นะอโอ้โหคานเลยวันนั้นนะจําบ้านไม่ได้เลยจําบ้านไม่ได้ทําไงวันี้พ่อเขจะบวชนะพอปวดที่ขวดที่สองแล้วนะถ้าเริ่มจําบ้านเลขที่ไม่ได้ละบวช น, นวั่งบวชนะต้องบวช ไปลก็บอกว่าไปหาพ่อไปหายมพ่อเนะ่ยยมพ่อโอู้าหซทุกข์ให้บวชซะกว่วลูกตายมันบวชได้มันต้องรอดตายนี่แน่เลยเยี่มพุดข่าวให้เลยพุดข่าวให้ไปมาเรื่องมาเาโลกกลก็คืนอะ่ะแล้วก็ไปเรียกอาจารย์ที่วัดเลยอาจารย์วิไลเนี่ยอาจารย์อาจารย์าารยผมจะมาบวชเอาอาจารย์แต่ก่อนเนาะ ตัวอันตรายเลยนะอาจารย์บอกมันจะบวชได้หรือเปล่าวัดกูจะเสียหรือเปล่าวะเ น, นี่ยมานะเข้าไปอาจารย์อาจารย์ก็ดีนะอาจารย์พนะระเเมันจะบวชจริงหรือเปล่าอืมยมพ่อเขาพูดนะแต่เราไม่สนนะบวชว่าบวชก็บวชรับปากเพื่อนไว้แต่มันมันเต็มที่แล้วถึงเวลาปุ๊บพ่อยมพ่อกลับเขากลับกันหมดคราวนี้มันเต็มที่สิเต็มที่ ในสล า, าก็ไม่ได้กั้นแบบนี้เนี่ยในสล า, าต่สล า, ามันต่านะมันพอนอนไปพุทธมันหลับเลยว่ามันเต็มที่ทำงานเหนื่อยแล้วก็หลัลับตรงนั้นเนี่ยตื่นขึ้นมารู้ไหมว่ามีอะไรเขาก็ปล่อยให้นอนตรงนั้นแหละมันจะได้สั่งตื่นขึ้นมามองไปรอบเนี่ยมีตม่าทั้งนั้นเลยนอนรอบคนดเลยหมามานอนรอบหมดเลยตายกูอยู่ไหนเนี่ย พอนึกไปนึกมาเออดูจิวัดนี่ว่าพอเริ่มสัางนะทําไปสมาตื่นเช้าก็มามาดูตัวเองน้ําไม่อด้อาบนะ้ำเตรียมชุดอะ่ะชุดขาวกลายเป็นชุดดําหมดเลยอืมไม่รู้ว่าเกิดอคุณ อ, อะไรก็ไม่รู้ชุดดํทาทําไมมาไปบินธบาดก็จะให้ไปบินธบาดบอกปุ้ยผมไปไม่ได้หรอกอาจารย์ดูชุดผมสิเขาก็เลยไปหาชุดใหม่หมไปไปชาวบ้านเห็นโอ้มันบวชหรือเนี่ยอืมมันจะบวชได้หรือว่า วาวัดเขาจะพังนะนั่นไปแ้มาไอ้เรารับปากกับเพื่อนแล้วก็ไม่ได้จ้งใจบวชพอดีงานเขาบวชฉลองหลวงพ่อโสธรพอดีอืมจ้างวิหารเสร็จก็เอาหลว ง, งพอโสธรมาก็ฉลองหลวงพ่อโสธรก็บวชบวชก็มาเติ อ, อาจารย์อาจารย์ทั้นก็สอนปฏิบัติแต่ว่างานก่อสร้างมันเยอะนะ ก็มาเจอสอน ต, ตายหลวงพ่อเทียนเนี่ยแหละการตอนนี้ท่านเป็นพระครูุเทศ ธ, ธรรมกรณ์นะธรรบวชพอบวชมาโอ้โหขอบอคุณเอ้ยนะบวชมาพอมันไม่ได้กินเหล้ามันมันไม่ได้กินเหล้าไม่ได้ไม่มีอะไรกกมันนะ่นะไม่มีไม่ไม่มีอะไรที่จะไปนั่นมันมันก็คิดมากยิ่งกว่าเดิมคิดมากนะปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ได้ความคิดมันเยอะ ก็หนีความคิดก็ไปทำงานหนีความคิดก็ไปทำงา น, นาทำอยู่กับงานนั่นแหละถ้ามันคิดมากก็ไปทำงานทำงานมันก็หายคิดเอางานเป็นเป็นตัวกบความคิดทำต้องทำให้มันเหนื่อยทำให้เหนือ่อยแตกเยอะๆแล้วก็ไปนอนมันถึงจะหลับแต่ว่าถ้าทำไม่เหนื่อยทำไม่เต็มที่มันจะนอนไม่หลับตอนนี้แต่ก่อนเราใช้อะไรเราใช้เล่านะอินไปนอนไปนอนก็ต้องเอาไว้ข้างๆ พอมนคิดมากก็ดูด ด, ดแทนน้ำดูดมันความมือนมันก็หลับไปหลับไปตื่นขึ้นมาร้านค้าเนี่ยรับรองได้ตอนเช้าเปิดไม่ทันอาตมารหรอกไปยืนรอหน้าร้านเลยเปียกซื้อนะ <c oughs> อมันเป็นมันเป็นอย่างงั้นนะชีวิตอาตมาไม่คิดว่าจะจะได้มาถึงขนาดนี้มองย้อนหลังไปเนี่ยอาตมานรกทุกหลุมเลยอาตมาผ่านมาหมด ตะคะทองแดงนะก็ผ่านเปตอสุรกายสัตว์นรกเดรัจฉาทั้งหมดเลยไม่ใช่ตายแล้วตายแล้วไปสเสวยวิบัติตรงนั้นนะไม่ใช่เลยโอ้โหพอมาปฏิบัติธรรมอุตมาโอนี่ชีวิตเรามันมันผ่านขุมนรกมาได้ยังไงวะเนี่ยถ้าไม่ได้มาเจอหลวงพ่อเทียนมาเจอหลวงพ่อมหาวิเดเมืโอ้โหเหมือนคนติดคุกแบบล่ามโซ่ตรวนตายคาคุกเลย เห็นภาพเลยอ่ะเห็นภาพตัวเองครับตายคาคุกเลยไม่ได้ออกจากคุกตันงขนาดนั้นเลยอ่ะชีวิตอ่ะพอเราได้มาปฏิบัติธรรมความคิดมากคิดมันไม่มีคิดดีนะคิดมีแต่ฆ่าอย่างเดียวฆ่าฆ่าฆ่าอาตมาอาฆ่าพยาบาร์โทสะตัวตัวสะตัวฆ่าพระยาบาร์มันมากรุนแรงมากเลยมันเห็นภาพพอเห็นภาพปุ๊ มันเกิดหลอนขึ้นมานะถ้าไม่ได้มาบวช น, นะก็คงจะไม่ให้มานั่งอยู่ตรงนี้นะนะถ้าไม่ติดคุกตลอดชีวิตก็คงจะตายแล้วนะนะอันนี้เยอะๆนะผ่านมาพระธรรมาก็ได้ปฏิบัติแต่ปฏิบัติก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันสู้ความคิดไม่ได้หนีความคิดพอยกมือมาคิดมากหนียกมือคิดมากหนี มันไม่สู้กับความมันสู้ความคิดไม่ได้พอหนีปุ๊บก็ไปทํางานนี้พวกก็ไปทํางานสุกค้ายพอออกพรรษาพวกปลาศีขากไปหมดโออยู่ไม่ได้แล้วเรานะก็เลยถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็เลยบอกว่าจะไปไปได้นะไปได้แต่ว่าสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยต้องเลิกให้หมดถึงจะไปเข้ากลุ่มก็เข้าได้ก็เลยถามท่านอยู่ที่ไหน ต้งเขาบว่าอยู่ที่แหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจะไปถ้าจะไปอย่าให้เสียชื่อวัดอืมเพราะว่าเราติดยาสูบเพราะว่ายังมียาสูบอยู่แล้วก็ยาสูบแล้วก็กาแฟนี่นะเราก็เอ๋อะไรวะเราเราก็อดแล้วอืมต้องจะให้เราอดายาอีกเหรอยาสูบคิดไปคิดมาอี่อยู่เราก็จะไม่รอดแน่ยังไงก็ต้องสึกเอา้า ก่อนที่จะลาสิกขากับไปตัดสินใจอยู่ก็ตายไปก็ตายตัดสินใจเลยไปเลยไปโอยไปยิ่งกว่าเดิมอีกเฉพคุณนี้ไปไปเจอศาลาเจอสถานที่ปฏิบัติคนก็เยอะศาลาหลังเดียวมีป่าก็ป่าตาําๆแดดก็ร้อนเสียงเครื่องก็ดังเครื่องสูงบออกกุ้งเต็มไปหมดเลยตายตายมีแตะบอกกุ้งถ้าจะมาปฏิบัติยังไง มาปฏิบัติกับมาฐานเนปฏิบัติยังไงแบบนี้ให้เราก็โอ้เอา้าได้มาแล้วก็ลองดูก็เป็นบุญของอาตมาที่ได้ไปเจอกับหลวงพ่อเจอกับหลวงพ่อจุดประกายเลยะจบประกาแค่สามวันนะอาตมาเนนะี่ยสามวันเจอหลวงพ่อแล้วเพราะว่าอาตมาคือคนมาทุกข์มากอ่ะพอให้ทําอะไรทํำหมดเลยอาตมาเนนะี่ยให้มุดนะผมก็มุดนะให้ดําดินก็ดำอ่าขอให้สั่งอย่างเดียวเพราะมันไม่ไม่มีที่ไปเลยอะ ไม่มีไม่มีที่ไปแล้วเพราะว่าไม่มีใครหอกหลงหลวงพ่อจะคอยควบคุมเลยจะทำะทำตรงนั้นสามวันสู้กับความคิดหลวงพ่อก็นั่งนั่งนั่งอยู่ตรงเมนมีเมนพอพอแดดออกมาทางนี้เขาหลบมาทางนี้แดดออกมาทางนี้มาทางนี้หลบแค่ร่มเมนได้อะร่มไม้ไม่มีในสาราคนก็ติ่ ม, มก็อยู่กับหลวงพอ่อตะเลขพระเยอะนะครบพระ ยมพุทธโยมสำลางโยมบุญเป็นคนจัดช่วงเดือนธันวาห้าวันแค่ห้าวันเองนะไม่ใช่สิบวันเหมือนที่นี่ห้าวันอาตอมาไปสู้กับความคิดกับความม่วงอยู่สามวันอยู่กับหลวงพอ่อสามวั น, น่ะช่วงช่วงประมาณสี่โมงสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงเนี่ยออกจากตรงนั้นได้เลยความม่วงความคิด ความคิดที่มันอาฆาตพยาบาทตรงนั้นมันรุดออกเลยรุดออกที่มันก่อนที่มันจะรุดออกได้อตมารทรหมดทุกอย่างแนละ้วมันแก้ไม่ได้